ผู้ที่ปฏิบัติตามนี้อย่างบริสุทธิ์ผุดพองเนี่ยตามหลักควรจะได้ฌานไม่ใช่หรือใช่หมถ้าทำตามนี้ได้ก็ได้อะไรปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทัชฌานเนี่ยนะก็สามารถที่จะแทงตลอดรูปฌานได้ทีนี้ผู้ที่ได้ฌานทั้งหลายเนี่ยสามารถมาพิจารณาพวกนี้โดยบัญญัติที่เป็นติยมนาปสัตทุกขิจสัตสุ ข, ขิตสัต และมัชะตาสัตต์ก็สามารถที่จะเจริญพรหมวิหารให้ได้ฌานทั้งสี่ได้เพราะคาว่าเมตตาเจโตวิมุตตตรงนั้นหมายถึงหมายถึงอะไรหมายถึงได้ฌานสี่ขอไปนะเมตตาได้ถึงไหนเมตตาได้ฌานสามกรุณาฌานสามมุทิตาฌานสามอุเบกขาฌานที่สี่อย่างเดียวที่สี่อย่างเดียวนะไม่ใช่ฌานสี่ ทานที่สี่อย่างเดียวเพราะใครที่จะเจริญอุเบกขานะ้ต้องได้เมตาก่อนหรือได้กรุณามาก่อนหรือได้มุทิตามาก่อนแล้วค่อยต่ออุเบกขาไม่ใช่ขึ้นพรวดมาอุเบกขาพรหมวิหารเลยไม่ใช่ทีนี้พวกเมตตาเนี่ยนะก็อย่าลืมว่ามีอะไรเป็นอารมณ์เมตตามีปิยมนาปัตว์เป็นอารมณ์กรุณามีทุกขิตสัสว์เป็นอารมณ์มุทิตาก็มีสุ ข, ขิตัตว์เป็นอารมณ์ เบขามีมัชะตะศัตว์เป็นอารมณ์ถามว่าผู้ที่ดำรงอยู่ในภพดังกล่าวไปเนี่ยนะการมาพบเป็นต้นเนี่ยถามว่าเขาสมควรได้รับประโยชน์ใช่หรือไม่ควรได้รับประโยชน์ไหมประโยชน์มีสามใช่ไประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้ว่าประโยชน์อย่างยิ่งอ่นนะพร้อมทั้งเหตุเมื่อมีประโยชน์ก็ต้องมีเหตุเขาควรได้รับประโยชน์ พร้อมทั้งเหตุที่ทําให้ได้ประโยชน์ไม่ใช่หรือสมควรใช่ไหมการที่หวังให้เขาได้รับประโยชน์นั่นแหละเป็นเมตตาหวังประโยชน์เกื้อกูลให้เขาหวังให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้หรือหวังให้เขาได้รับความสุขเป็นต้นนั่นแหละเป็นการเจริญเมตตาแต่ถามว่าแล้วคนที่ได้รับประโยชน์อย่างนี้นี่มีมากไหมไม่มากก็เป็นบุคคลที่ควรแก่การกรุณาคนที่บริบูรณ์ด้วยประโยชน์เหล่านี้อยู่แล้วก็ควรที่จะ ยินดีกับเขาแต่บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็จักตามสมควรแก่กรรมนะมีกรรมเป็นของของตนเพื่อที่จะได้เจริญอุเบกขาต่อไปคนนี้ก็เป็นเมตาเเามตาเจโตวิมุตติเป็นต้นอรูปสมาบัติก็กล่าวแล้วนะเกิดจากการเพิกกสินที่แล้วทีนี้พวกธรรมะเหล่านี้เนี่ยถ้ามาจัดระบบให้เห็นเป็นสังสารวัติก็คือปฏิจจสมุบาทเนี่ยนะ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 ต้องให้ได้อย่างนี้เลยมหมายความว่าทวนขึ้นก็ได้ถอยหลังก็ได้อนตตุโลมกับปฏิโลมเช่นว่าขึ้นอวิชชาก็จบที่อะไรชรามรณะขึ้นที่ชรามรณะก็จบมาหาอาวิชชาได้อันนี้เรียกว่าทวนขึ้นทวนลงทวนขึ้นทว น, ว น, วนลงอย่างนี้เพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นสมุทัยอิมัสะเกวรสะทุกขคันทัสะสมุทยโยโหติ สมูทัยแปลว่าเหตุเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นอิมาสะเกวรสสะย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อันนี้คือต้นเหตุแห่งวัตถุทุกเนี่ยมันไล่สืบไปอย่างนี้ผลสรุปพวกนี้นะต้องคูณทวานหกไว้เสมอนะสมูทัยอันนี้คูณทวานหกไว้คูณทวานตานะทวานตาก็เริ่มต้นที่อวิชชาทวานหูก็เริ่มต้นที่อวิชชาเหมือนกันหมด ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็เริ่มต้นที่อวิชชาทั้งหมดเลยนี่นะว่าทุกทวาร น, นี่มีอวิชชาเป็นกาเนิดเป็นต้นเหตุอวิชชาเนี่ยก็ที่จริงนะชีวิตที่ผ่านมานะถ้าเฉพาะหน้าเรายกให้ตัณหาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยกให้อวิชชานะชีวิตที่ผ่านมายกให้อวิชชาหมดเลยก็เพราะไม่รู้ก็เพราะไม่รู้ทุกคนจะใช้คานี้มาอ้าง จะไม่เค้าบอกเพราะความอยากเพราะความอยากตอนนั้นนะเราจะยกให้อวิชชาไปหมดเลยนะถ้าอาดีตนะแต่ถ้าปัจจุบันจะไม่ยอมบอกว่าตัวเองโง่ง่ายๆหรอกฉันมีความต้องการสิ่งนั้นก็ <c oughs> จะยกให้ตันหาใช่ไหมมันก็ที่มาของสร้างตาในอดีตเพราะไม่รู้แต่ทุกวันที่จะต้องสร้างตาต่อไปก็เพราะตันหาก็อยู่นย่ที่มาที่มีหูอยู่ทุกวันก็เพราะไม่รู้แต่สร้างหูชาติใหม่ก็เพราะตันหาเพราะต้องการนะน้ โอ้ยถ้าหูดับสักครึ่งวันเลยนะจะรู้สึกเป็นยังไงเนาะ <c oughs> ไอ้ดับแบบที่เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันดับเองอะนะ <c oughs> อันนี้ยุ่งมากเลยนะตกใจเลยก็มีนะบางคนเนี่ยผมดับวิ่งไปเลยโหเสียวเลยอ่ะฮัลโแต่ละทวารแต่ละทวารก็เป็นอย่างนะั้นยู่ๆแล้วจับขาแล้วมันไม่มีความรู้สึกเลยนะอะไรจะเกิดขึ้น <c oughs> โทรมนัดอย่างแรงเลยนะเพราะว่าตันหาเนี่ยมันกระซับเกินไปมันมันติดข้องมากเพราะนั้น ความปรารถนาเนี่ยจึงเป็นไปอย่างนี้ส่วนปฏิโลมในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเพิกมันเป็นลักษณะปฏิโลมนะปฏิโลมมันแบบลักษณะปริวัตินะาหาระมันพลิกกลับตรงกันข้ามเลยสมมติถ้าอาวิชาดับดูอะไรจะดับตามมาบ้างชรามรณะมันก็ดับอ่ะถ้าอาวิชาดับอย่างเดียวนะว่าตาัดทีนี้ถ้าจะดับชราและมรณ ะ, ะพระโพทิศเนี่ยท่านจะคิดอย่างนี้ในตอนต้น สัตว์โลกนี้ลำบากหนอะเดือดร้อนหนอด้วยชราและมรณะเกิดตายเป็นต้นเนี่ยนะแล้วชรามรณะนี้มาจากไหนหนอะอันนี้คือพิจารณาตัวเนี้ยสาวแบบนี้ไปด้วยอวิชชาทีนี้ท่านก็นมาคิดว่าถ้าชรามรณะจะไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะชาติไม่มีถ้าชาติไม่มีเพราะอะไรไม่มีท่านก็นเริ่มคิดคิดคิดคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอคิดอย่างนี้มองเห็นปั๊บเลยมองเห็นเลยเนะี่ยชรามรณะชรามรณะนิโรธ เนี่ยนชารามรณะกับชารามรณะนิโรธอันนี้ก็เป็นชารามรณะสมุทยัยและชาติเนี่ยชาติชารามรณะชารามรณะสมุทยัยชารามรณะนิโรธแล้วถามว่าชารามรณะนิโรธทักษม่มีปฏิปทายอยู่ตรงไหนก็ตรงที่ว่าทำปริญญาสามในชารามรณะตัวที่มาทําปริญญาเพื่อตัดชาติ ทำชรามรณะนิโรธให้แจ้งอ่ะตัวนั้นนหะคือข้อปฏิบัติงั้นข้อปฏิบัติมันรู้จะมาแปะไว้ตรงไหนดีนะขันธ์ทองจะแสดงแต่ทุกข์กับความดับทุกข์ก็พอทุกข์มันก็ต้องมีเหตุอยู่แล้วถ้าดับทุกข์มันต้องปฏิบัติยังไงมันจึงจะดับอ่ะงั้นก็จะเริ่มนะถ้าชาติอย่างเช่นชาติชาตินิโรธลองฝึกคิดสองอย่างนี้ก่อนให้ฝ่ายวัฏตะกับวิวัฏตะมีกับไม่มีชรามรณะ แต่ว่าไอ้ฝึกชรามรณาในะชรามรณะแบบมนุษย์สัตว์อาจจะปรารถนาถ้าไม่เกิดในนรกนะถ้าสังขารไม่ปรากฏตัวในนรกนี่จะดีขนาดไหนเขาค่อยไล่มาอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆใช่หมเขาค่อยไล่ไปนะถ้าเราสังขารเราไม่เสนอตัวไปในนรกนะพระรหารเนี่ยมีชื่อน่อว่าไม่แสดงตนในภพคํานี้ชอบมากท่านเป็นผู้ไม่แสดงตนในภพ ถ้าเราไม่แสดงตนในนรกเนี่ยนะไฟนรกจะเผาเราได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่แสดงตนในเดชะฉานทุกในเดชะฉานจกมีไหมไม่มีถ้าไม่แสดงตนในพวกเปรตทั้งหลายสิบสองประเภทจะหอยหิวแบบนั้นไหมก็ไม่มีถ้าไม่แสดงตนในหมู่มนุษย์ความเดือดร้อนแบบหมู่มนุษย์จกมีไหมไม่มีเช่นถ้าเราไม่ใช่เป็นประเทศใดมีสงครามเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราจะไม่รู้สึกว่าต้องเดือดร้อนที่นั่นอะไรนี่ถ้าพบสามถ้าเราไม่แสดงตนนี่จะดีแค่ไหน ก็ต้องมาฝึกคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามแบบนี้บ่อยๆเชื่อไหมถ้าคนไม่เห็นคุณของความดับนี่นะไปบังคับให้เขาปฏิบัติยังไงเขาก็ทำไม่ได้ทำแล้วไม่ดีไม่ดียิ่งบอกมากก็ได้ศัตรูเพิ่มอีกคนหนึ่งทีละคนทีละคนเพราะเขาไม่เห็นคุณของดับชรา ม, มรณะผู้ที่ไม่เห็นคุณของความดับชรา ม, มรณะเนี่ยนะอย่าไปเร่งให้เขาปฏิบัตินักเลย เพราะเขาไม่เลือกสมมุติว่าเออทำไมคุณไม่ไปนนท์สักทีทําไมไม่ไปเขาไม่ได้อยากไปสักอย่างนี่นจะให้เขาเขารีบไปทําอะไรเพราะเขาไม่ได้อยากไม่ได้ต้องการอะไรเลยไม่เห็นคุณเลยนี่ก็เหมือนกันก็ต้องมาฝึกเห็นคุณก่อนนั้นวาระต่อไปเนี่ยนะข้อต่อไปเนี่ยจึงเป็นการแสดงอริยสัจ ต, ตามมาใช่ไหมทุกทุกขสมุทยัยทุกขนิโรทุกขาเนโรท่าคาม่หนีปฏิปทา ก็จึงมีการประกาศอริยสัจ ต, ตามมาทีนี้ในสองร้อยหนึ่งข้อที่กล่าวไปทุกบทประมวลลงอริยสัจได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถทวนไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ไล่นันกบัญฑิตจะสมุบาตถอยหลังเป็นปฏิโลมก็ได้ชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธถ้าขา ม, มิหนีปฏิปทาไล่มาสมามุติว่ามีสองร้อยหนึ่งสองร้อยหนึ่งมีอะไรเป็นเบื้องต้น มีรูปประคันเป็นเบื้องต้นมีชรามรณะเป็นที่สุดเขาก็เลยใช้เนี้ยง่ายดีเแตแปลว่าละไว้เปเนี้ยคือปยาน น, นะนะมาจากตัวย่อว่าปยานก็คือละไว้บอกภาษาไทยบอกรู้กันรู้กันชรามรณะชรามรณ ะ, รมรณะสมุ ท, ทยัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธถ้าขาดไม่หนีปฏิปทาและชรามรณะมีอะไรเป็นปจัจจัยก็มีชาติ ชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธคารมินีปฏิปทาอะไรอีกพบพบสมุทัยพบนิโรธพบนิโรธคามินีปฏิปทาอไรอีกอุปาทานอุปาทานสมุทัยอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธคามินีปฏิปทาอ่านะคตันหาตันหาสมุทัยตันหานิโรตันหานิโรธคามินีปฏิปทาตันหาอะไร เวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาภาษาภาษามสมุทัยภาษานิโรธภาษานิโรธคามมินีปฏิปทาสลายตนะสลายตนะสมุทัยสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธขามมินีปฏิปทานามรูปนามรูปสมุทัยนามรูปนิโรธ นามรูปนิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาอวิชชาสังขารสังขารสมุทัยสังขานิโรธสังขานิโรธคามินีปฏิปทาอวิชชาอวิชชาสมุทัยอวิชนานิโรธอวิชานิโรธคามินีปฏิปทาะก็พิจารณาเนี่ย ถ้าใครเข้าใจตรงนี้นะอ่านเล่มยี่สิบหกสบายๆเลย